ฟัเรื่องออกไปทำเวให้ได้ฟังแล้วให้จำนะเราได้ลู้มามากแล้ว เสริมรูปเป็นเรื่องหนึ่งถ้าไม่ทำก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ในทางบรรลุธรรมเหมือ น, นกับการข้ามฝั่งรั่วฝั่งโน้นรัวฝั่งนี้อยู่แล้วเหมือนเราอยู่ในหัวดำ ที่ไม่ได้อยู่ในห้วงน้ำก็มีแต่การที่จะขึ้นไปฝั่งนู้นมันต้องมีการกระทำอะไรให้มันเคลื่อนย้ายไปมันจึงจะเป็นการถึงที่หมายการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเช่นนั้นขอให้ผู้มีสติปัญญา ได้รู้ได้ทำไม่ต้องใช้สมองควาคิดอะไรเช่นความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่คาพูดมันไป็การกระทำเป็นอาการเอากายไปต่อเอาเอาใจไปต่ อ, อกับความรู้สึกตัวนี่ต้องทำอะ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 กระทำตามลอยพรอยุคนบลอยพระศาสดาว่าคู่แขนเข้ารู้จึกตัวเหยื่อแข่งออกรู้จึกตัวถ้าคู่แขนเข้ารู้จึกมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วเียื่อแข่ง อ, อกรู้จึกมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วรวมรู้จึกตัวเป็นการเคลื่อนย้ายฐาน ทวงหลงซึ่งเป็นต้นโตอของการเคลื่อนย้ายถ้ารู้ก็ไปแล้วไปจากอะไรไปจากความไม่รู้ถ้ารู้เมื่อ ม, มีความไม่รู้เกิดขึ้นก็คาบได้ง่ายเพราะมีแรงทวงไวเหมือนกับก้าวของเราที่ ไปทีเก้าเหมือนรถที่ติดเครื่องที่มันหมุนไปแล้วมันมีแรงถวงเหมือนเราพันมีดมันจกบที่มีแรงถวงมันประกอบกันมันจึงมีการตัดอะไรได้ไม่ใช่ลูกใช่ค่อมเพาว่าที่ลูกเป็นับคำหลังนี่ไม่ใช่ อาบาติรู้เป็นกำลังเพื่ออะไรเพื่อผ่านความหลงมันเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมมันจะง่ายเพราหลงที่ใดก็รู้เพรหลงที่ใดก็รู้ไม่ได้เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้เสียแล้วหลงทแท้เป็นเหตุให้เกิดความรู้ได้ มันก็มีงานแบบนี้มันก็เฉดใต้แบบนี้ลองเคลื่อนไปอย่างนี้นะก็หลงทีไรก็รู้อามีไรลยีห่ะมีครามองทุกก็รู้มีอะไรมากมายที่ไม่ใช่กวารู้ตรงกันข้ามเยอแยะไปหมดเลยนี่มีการกระทำเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่รู้ก็รู้ขึ้นมา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 ตั้งเสขึ้นมันบอกติดคานติดเฉยติดจันทน์ติดไม่แปรติดอะไรต่างต่างติดหลังคามันบอกงานมันบอกแล้วก็แล้วก็ทำได้ด้วยมันบอกให้ทำเครื่องหลงมันบอกให้ไม่หลงเครงทุบมันบอกให้ไม่ทุบ มันเป็นงานของกรรมถามยังไม่ต้องมีคําถามมาหรืเปล่าเพินไม่ต้องมีคําตอบให้จากคนอื่นเหมือนเป็นการตอบเองมันเป็นการตอบตัวเองนะอะไรทําแล้วอะไรยังไม่ได้ทําให้มันแล้วมันก็บอกไปมันจะขยันตรงนี้นะคนทํางานเมื่อมัน เป็นการงานชอบจะมีความขยันมีความเพียรไปในตัวเสียเลยก็ตื่นรือรนไม่เบื่อหน่อเกิดความเพียรความเพียรกืความขยันเปลี่ยนร้อยเป็นดีขยันขยันตรงนี้นะถ้ามันมีทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุก พยายามตรงนี้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นงานค้าค่าดังที่เราสาเคประโฉดการนานไม่ยุ่งเหยิงสับสนมันแล้วไปชิ้นไปชิ้นไปอย่างนี้มันบอกไปจนเห็นต้นเห็นตอเห็นจุดไม้กปายทางได้กระแสผู้ที่เจริญจตีเนี่ยได้กระแสแห่งพระนิพพาน เหมือนได้ทิศใดทางฝั่โน้นทางนี้ฝั่งโน้นฝังนี้เหมือนที่พูดก็วยบาลีก็เห็นชายภูมิที่ที่หมายชั่นี้ชั่นา้ในชายภูมิก็มันเป็นสิ่งที่บ่งบอก เราคิดทางมันไปตรงไหนมั่นใจไม่มีความหลงในความหลงมันจะไม่หลงในความทุกข์มันจะไม่ทุกข์นี่เราไปชำนาญในสีภูมถ้าเป็นนักโลกก็ไม่มีทางแค่คนมีสติไม่แพ่อะไรเลยนะมันเป็นทางได้ทางที่ว่ามัดมัดคือเห็น เห็นแล้วก็ต้องไม่เป็นตั้งต่อไปนมะว่าไม่เป็นก็พุ้นจากสิ่งที่เห็นพุ้นจากสิ่งที่เป็นแล้วก็จบไปเห็นหนึ่งครั้งชัานานหนึ่งครั้งเห็นสองครังชัานานสองครั้งหลวงผู้เทียนเคยเปรียบเทียบพาพวกเราไปอ่านด้าบในคลองแต่ด้าในคลองเราอ่านไม่ได้ มันมีทิศบ้านบุหงาหลง่อเทียนเขาปลูกฟอกมันใช่ยามากหลอง่อเทียนก็ไปพอไปขุดสอยในฝั่งน้ำลึกประมาณโศกขุดของไข่ของเรามีขันมีอะไรไปขวดซอยขึ้นมาพอขุดเห็นน้เจอน้ำน้ำไม่ใส กหนึ่งครั้งน้ำก็ยังไม่ใส่ดีแต่มันออกมาด้วยดาวตาครั้งที่หนึ่งซั่งที่สองครั้งที่สามันก็จะใสเมื่อมันใสเราก็ใช้ได้การผ่าหลงเป็นไม่หลงมันก็จะบรรจัมันจะดีกว่าเกาผ่านครั้งหนึ่งยังไม่จำนาเรื่องหลงก็ยังจะมี ไม่หยูดมากถ้าผ่านสองครั้งสามครั้งมันก็จะสอัดขึ้นมันแล้วไปความขุ่นความโสภุก้งหมดไปถามว่าที่รู้เห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงถาว่าที่เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธถาว่าที่เห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจาความทุกข์ไปเสียกว่าเน่ย ไปเป็นกระเสไปไปเห็นความเก็บอ๋อไม่เป็นผู้เก็บผู้จับความเก็บมันจะเก่งไปเลยนี่แหละเห็นควาเก็ไม่เป็นผู้เก่เห็นคนตายไม่เป็นผู้ตายคนจับความตายมันเห็นมันไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่มันสัมผัสได้ด้วยชีวิตของเราเนี่ย เหมือนกับว่ามีมุทมันพ้่นมามันพ้่นไปความพุนความไม่พ้่นมันจะบ่งบอกดังนจึงเป็นความสำเร็จใครก็ทำได้ใครก็ทำาาจาถ้ามีสติมีกายมีใจมีสติมันเป็นเครื่องมือ ทำาไมเราได้เกิดความสะดวกสะดวกบางการเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงถ้าหลงเป็นหลงไม่สะดวกเลยถ้าทุกเป็นทุกไม่สะดวกโกรธเป็นโกรธไม่สะดวกถ้าเห็นเราเนี่มันสะดวกเป็นทางการเห็นเนี่เป็นมักการไม่เป็นนี่เป็นผล รู้จากการเป็นหรือว่าเป็นผลมันเป็นมัดเป็นผลจริงๆเหมือนกับคนทำงานอะไรนกว่าต้องเสร็จจริงๆสร้างบ้านบ้านก็เสร็จทำไร่ก็เสร็จปลูกข้าวนาข้าวก็เสร็จมันเสร็จมันก็ใช้ได้ก็มันก็บอกถึงความเสร็จจริงๆ มัน ก, ก็ต่างเก่ากับความไม่เสร็จพุ่นภาวะเดิมเราจะพูดถุงจิตใจมัน ก, ก็เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปร่องพุ่นภาวะเก่าจะเป็นเช่นไรเอาไหยหลัอมไม่มีอะไรอยู่บงหน้าผ่านมาได้ตลอดนี่เลามักคือผ่าน ผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความโผ่ผ่านความหลงลืงมสมใจผ่านอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เป็นมือฉีบเนเรื่องดังที่เร า, า, เราสาเทมิสูตรทำบัดช่องทำบัดเย็นเห็นลูกเห็นนาำลูกก็ไม่เที่ยงเมตนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง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 บทนี้มันเป็นความไม่ทุกข์เพราคามไม่เทีย่ยวรวมไม่ทุกข์ใช่ไหมเออความไม่เทีย่ยงควงเป็นทุกข์ไม่ทําให้เกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้นะเรียกว่าร่วงพุ่นพาว่าเก่ามันโบกมันโบก ปัญหามันเป็นตัญญอยาได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีทุกก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าไม่มีความถ้าไม่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเหนือสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าพุทธเจ้าแล้วทําด้วยโครงเอง พวกหลงผู้มาทําตามพระพุทธเจ้าที่บอกที่สอนมันเลยคนเรื่อยๆนับควองสะดวกวก็รู้อย่างเดียวกันเห็นหลงไม่หลงพ้นจากความหลงอย่างเดียวกันเห็นความทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์เหมือนกันหมดใครก็เหมือนกันหมดที่ว่ารู้ทำมันเดียวกันปลายทางอันเดียวกันความ การกระทำอย่างเดียวกันเรียกว่ารู้ตามพูดเจ้าเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมคือเห็นว่าพรพุทธเจ้าเห็นอย่างเดียวกันสติก็เป็นอย่างเดียวกันที่เราทำอยู่เนี่ยสติที่พระเจ้าทามาแล้วสองันห้าร้อย สิบปีเลยสองกันห้ารอยห้าสิบสองสองันห้ารอยห้าสิบสี่บวกเข้าไปสี่สิบห้าลอีกเท่าเป็นเท่าไหร่เป็นสองพันห้าร้ห้ารอยเก้าสิบเนะก้เาลบ น, นัน้นอันเดียวกันกับเดี๋ยวนี้นะเต๋ตีกับพริกเจ้าที่บรรลุธรรมต้นสี่ต้นโพนันเดียวกันกับเดี๋ยวนี้ อยู่กับใครก็เป็นอันเดียวกันหมดนี่สากลส่วนพิธีอื่นๆเป็นคนละอย่างแต่ธรรมะนี่เป็นสากลอันเดียวกันใครมีจิติก็อันเดียวกันหมดเลยถ้าอันหลงเห็นมันหลงคนเจ้ากรมหลงทําไปอย่างเดียวกันไปทางนี้เหมือนกันหมดที่วดาท า, ทางนี้ไปทางอันเอก เอกมคุวิสุตติยาไปถึงกุดหมายไปทางอางค์บริสุทธิ์ให้พิสูจน์ลองดูให้ทําดูสังขัดลองดูอย่าไปเชื่อใครถ้าทําแล้วเกิดความเคลื่าให้ศรัทธานี้อย่าไปศรัทธาคนอื่นอย่าไปศรัทธาจริงอื่ น, น, นให้ศรัทาจริงแค่เราทำได้เราลู่ก็ลูกกล่จริงๆเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเนี่ยมือระวังอยู่บนตักก็รู้อยู่นี่ใครจะมาบอกว่ามือเราไม่อยู่บนตักบนเขาปิดขึ้นกว้างองยกขึ้นวางลงเรายืดเราดูอยู่นี้ใครจะว่าเราไม่ดูเป็นเรื่องของเขาอันนี้เรียกว่าไม่มีคําถาวคนอื่นตอบไม่ได้ เราต้องตอบเองนี่เร่อศรัทธาแต่ถ้ามันไปใช้ใช่ลงไปแล้วเลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่ไปเชื่ออย่างนี้มันพ้มนมาได้เพราะทำอย่างนี้ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นนี่คือศรัทธาเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้ก็มีความเพียร เรื่องเพี้ยนคือเปลี่ยนร้อยเป็นดีเรียกว่าภาวนาก็ได้ขยันขยันมีกลามรู้เมื่อมันหล ง, ลง เ, ปเปลี่ยนหลงเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้อย่างเนี้ยเรียกว่าภาวนาคือเปลี่ยนร้อยเป็นดีหรือเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัต antioxid. ิเรียกว่าโตต่ อ, ตอเปลี่ยนแปลงมาร้อยเป็นดีเนี้ยเอาศรัทธาอย่างเนี้ย แต่ตื่นรุ่นตรงนี้นะเมื่อมีชดทานมีความเลียรแล้วก็เป็นกําลังอันหนึ่งที่ทำอะไรให้ได้เกิดความสำเร็จได้มันเนกรบเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วมววงสาวสาวไม่ใช่ความที่ไม่มีเป้าหมอย จับลงไปถูกเส้นถูกทางทันทีเลยทีเดียวหลวงพ่เทียนสอนให้รู้ชื่อๆจะว่ารู้ชื่อๆมันจะเป็นอย่างไรก็จะสุกเป็นสุกไม่ชื่อืสุกจะมีรสในชาไม่ซื่อไม่จืดก็มันจุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกอย่างนี้เรกว่ารู้ชื่อๆ ตู้ตรงๆทุกเป็นทุกไม่ได้ใช่รู้ซื่ อ, อทุกเห็นว่าทุกไม่ได้เป็นผู้ทุกที่มันซื่อพอใจเห็นเมานพอใจไม่ได้จะผู้พอใจเดี๋ยู้ซื่อมันจะไปไกลเนะี่ยยิงไม่ไกลเนะี่ยเหมือนนักลุกเต๋อ อะไรมาชื่ อ, อนี่จริงได้ไกลดังแม่นถูกทุกพิศทุกทางใช้ได้ตลอดวิธีการอย่างนี้แค่ได้จะดวดเดียวที่จดีของมุขเจ้าถ้าจี่เทวาอริสัตว์ก็ทำแบบนี้ทุกเราได้กาหนดแล้วรู้แล้วทุกตนได้เปลี่ยนทำได้แล้วทุกโลาโคตนมาแล้ว สามลักษณะเหตุเกิดทุกเรรู้แล้วเราได้ทำเหามดันแล้วทาได้แล้ ว, ลวอะไรก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวทิศดีในทภาพากปฏิบัติไม่โรคจากนี้ไปได้อะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าได้ทิศดีได้หลับนี้ไปมันจะไม่แมอยังไง มันจะไม่ชนะอย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนเราเห็นหมูเราเห็นเราก็รย้ว่าจะมีความพนจับมูเห็นงูต้องไม่ให้เข้าไปหางหูต้องออกไปจังงูเราพ่นจับงูเราพ่นเราก็รู้ว่าเราพ่นจับมูอยู่ตมันชูโค แผ่แม่เบีย้ยอยู่โน่นเอาถอยออกมาแต่พ่นมันจริงๆริมันทำอะไรล้งให้เราไม่ได้จริงลักษณะอรยิยสัจสี่เป็นอย่างนี้แม่จะมันมีทุกข์มีเหตุที่เกิดทุกข์มีความวิธีการดับทุกข์เริ่มดับได้แล้วตาเนี้สามตัดลงรูประกอบลงดู ให้ลงไปลองดูที่มีอยู่ในเรานั่นแล้วทุกเห็นแล้วรู้แล้วเรียกว่าห ย, ยาตปณิยารู้แล้วทุกเราได้ลองกับทุกแล้วเปลี่ยนไม่ทุกเราทําแล้วเราพุ่นจะทุกแล้วเจ้าว่า ยาตาปัญญาติอาการะปรัญญาปะหานะปัญญาชันนาญปะชำนาญเห็นภาพไปเลยเห็นภาพไปเลยอะไรที่มันเกิดกับการกับใจเนี่ยมันเป็นปัญญาทั้งนั้นรวมโลกรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตสังขารเนี่ยมันเป็นปัญญาไม่ใช่รู้ทั้งอนนื่นนะ มาอยู่ที่นี่ปัญญาพุท ธ, ธะสังขารคืออะไรทั้งหลายทั้งปวงรอยสังขารมากมายจิตต์สังขารก็มากมายจริงใดเป็นสังขารจริงนั้นขี่น้ามันได้เลยว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ถัต้นเพี้ยนความโก่มันก็เป็นสังขาร มันโจรมาไม่ใช่ใจอย่าไปทำตามมันเดีก็เปลี่ยนตัวที่โกรธให้เป็นความโกรธ อ, อยู่วิสองขานวิสองขานที่เปลี่ยนไม่เป็นไปกับมันรวมทุกเป็นสังขาญรวมไม่ทุกเป็นวิสองขานอะไรก็ตามตรงกันข้ามอย่างนี้ มองตรงข้านี้เห็นตรงข้ามนี้ทุกกรณีที่เกิดในกายในใจเราเนี่ย <c oughs> เหมือนก็ะจิตพระได้ได้ทิศตีทิศทางว่าเห็นความเกิดต้องมีความไม่เกิดเห็นความเจ่ต้องมีความไม่เจ่เห็นความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บเห็นความตายต้องมีความไม่ตาย <c oughs> าเบริสุนธิ์ซาลนี้ เริ่มต้นไปจากเนี่ยนั่งขู่แขนเข้าเหยียดแขนออกบางทีก็มีสติไปกับกลมหัยใจเข้าลงหัยใจออกสติกับความคู่แขนเข้ า, ากี่ับเหยียดแขนอกอันเดียวกันบางทีพระองค์ก็จะลุกเดินจงกรมหรือมาเดินกือบไปกลับมามีความรู้สึกตัวหรือว่าจงกรมเหมือนกัน แล้วมันก็ได้เห็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับปลายกับใจแล้วก็เป็นทิศทางไปอย่างนี้มันบอกทางไปเด็กมันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างเนี้เบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดอย่างเนี้เรที่ทําได้แล้วก็ทําได้แล้วเราที่เครื่องดลบุค วิธีเรืองลักษณะคุงการดับทุกข์ดับได้ได้ทําลงไปแล้วได้ทําได้แล้วเหมือนพระเจ้าแสดงจทำนมกจับอริยสัจสี่คือความดับทุกข์มีอยู่เราได้ทําแล้วทําได้แล้วความทุกข์มีอยู่เพียงใดทํำในแล้ว กินทวงทุกข์ควมหลงควรปวดไม่เกิดขึ้นอีกยิ่งได้ชื่อว่าเราได้จัดฉรูช่อมเฉพาะหน้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันทำได้อย่างนี้มันก็โบดไปจริงๆมีแต่ภาวะทิลูกเลยก็เลย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 มีความเจ็บก็ไม่เจ็บเพราะความเจ็บเพราะไม่เป็นอะไรที่ทำให้เกิดความเจ็บมันคนเรื่องเกิดความเจ็บความตายแม้จะจับไปมุดอยู่ในพื้นน้ำก็ยังจะไม่เป็นอะไรถ้าพูดได้ถ้ามีคำถามกันได้ก็เป็นยังไงไม่เป็นอะไรก็จะมักจะพูดจะพอใจที่พูดอย่างนี้ แม้จะถูกโยนใส่ในกองไฟก็ยังจะไม่เป็นอะไรกับอะไรแม้มันมีความร้อนก็จะเห็นมันร้อนไม่อันชนหนึ่งจะไม่ได้เป็นผู้ร้อนเห็นมันร้อนมันหายใจไม่ได้ก็จะเห็นมันหายใจไม่ได้แต่ไม่เป็นผู้เป็นผู้ผู้หายใจไม่ได้ก็จะไม่เป็นผู้หายใจไม่ได้ก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่เนี่ย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 มันเป็นหน้าโลกรูปบดลูกพุกลูกทนจริงจริงจริ ง, ร ง, รงที่คนถึงที่คนอื่นหลงเราก็ไม่หลงเห็นมาแล้วความหลงสิ่งที่ต้าไม่เกิดทุกข์ก็เห็นมาแล้วสิ ง, ท, ท, งที่ควรเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์แล้วสิงที่เขาโกรธเรไม่โกรธแล้วกูววมันอันเดียวกัน คอโกรธันเดียวกันคงทุกข์คนเดียวกันคงหลงก็อย่างเดียวกันไม่ใช่คนรลายอย่างมันเป็นันเดียวกันได้แท้ใครก็เหมือนกันหมดบางคนทุกข์ประคอไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงค็เดียวกันที่ว่าส่มันลักสนับแต่ไปจนทุกข์ประคไม่เที่ยงคนไม่เที่ยงใจมันเที่ยงได้อย่างไร เป็นทุกข์กับมันทําไมคพมเปทุกข์มันก็โบกทุกข์ออทุกแจ้งเป็นสุขยังไงถ้าจะฉลาอตรงนี้นะถ้าคนมีสติใจเห็นอย่างนี้เห็นแจ้งจะให้ความไปที่จะให้ควไม่เที่ยงไปทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ใจควมไปทุกข์มันเป็นไปไม่ได้นองรู้เสี เงียบใคนตรงนี้นะบางที่อาจจะมีมรรคผลนิพพานตรงนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายในควมไม่เที่ยงนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวผู้ใดเห็นความทุกข์เมื่อนในความทุกข์อย่างที่เราสาแขายไปสูตร แต่เป็นสังขารานิจาอาติยธรราปัญญาญะปญัติเมื่อไดบุคคลเหด้ว่าปัญญาว่าสังขารนั้นคงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเล ย, ยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ต้นหลงนั่นแหละเป็นดามแห่งพระนิพานเป็นธรรมหมดจดเนี่ยทางไปอย่างนี้นะมันเ ย, ย, ยียบไข้งตรงนี้่จลิญชีวิตที่เวลาถึงเทาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ย แต่มีหลายชีวิตไม่น้อยที่เห็นความไม่เที่ยงไปเป็นทุกข์เสริได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้แสงสว่างตรงนี้ได้วิปัฒนาตรงนี้ในความเป็นทุกข์เหมือนกันในความไม่เท่ตัวตนไปถือความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ควรเป็นอย่างนั้นเสียเปียบความโกรธมามากมือนกัน เรื่อโกรธไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสังขารมันโจรมามันไม่ใช่ตัวตนไปออเอมไปได้จริงได้ไม่ใช่ตัวตจนจริงไหมไม่เที่ยงจริงไม่เป็นทุกข์ไม่คนยึดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าตัวตนของเราก็เหยียบหายตรง น, นี้เหมือนกันไม่จะมีสามลักษณะนี้โดยสามมันลักษณะสมือกันหมดถ้าทําให้ ถ้าความไปเที่ยงเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะคววงเป็นทุกข์เป็นทุกข์มเหมือนกันนะตัวไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะ ม, ม, ม, ม, นนนะมันจะต่างกันตรงนี้ร่วงพุนต่างกันตรงนี้รวมหลงก็มีตรงนี้หังไม่หลงก็มีอยู่ตรงนี้แต่วิธีที่จะให้ใช้สมองไม่ได้ต้องมีสติอย่างเดียวเห็น มีสติก็ไปเกี่ยวข้องอย่าเดียวอย่เอาสมองไปคิดทำไมทำไมผู้มีสติไม่มีคำพูดว่าทำไมราษาไทยสามี่ตัดทิ้งเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยก็มี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 ติดขัดไม่แต่ผิดก็เป็นผู้ผิดไม่ได้เห็นมันผิดมันถูกก็เป็นผู้ถูกไม่เห็นมันถูกมันสมุกก็เป็นผู้สมกุกไม่เห็นความสมกุกมันพุ่งซ้อนก็เป็นผู้พุ่งซ้อไม่เห็นความพุ่งซ้อนก็เดยแยกตัวในสมอ มันเป็นคู่ไม่ขี้ไม่เปลี่ยนถ้ามีแก่ต้องมีไม่แฉ่ไม่ได้บอกอย่างนั้นมันเลยมันเลยไม่ค่อยสะดวกเป็นทุกขปฏิปฏาทาบรรลุธรรมด้ยากผู้มีสติเห็นมันหลงไม่ได้ไม่ได้หลงไม่ได้เป็นผู้หลงเห็นมันสะดวกเป็นสุขปฏจิปทา รู้ธรรมะได้ยากได้ง่ายมันรู้ทาเลยง่ายมันรู้ทาตรงนี้นะเจ้าข้ามตรงนี้ได้บางคนไม่ข้ามไม่ข้ามเลยมันหลงทำไมจึงหลงเมื่อ จ, จะหลงหนึ่งวันแล้วไม่รู้อะไรสองวันแล้วอาทิตย์หนึ่งปีหนึ่งไม่รู้อะไรเอาลู้เอาไม่รู้ มีแต่เห็นมันอย่างนี้นะไม่มีคําว่าหนึ่งวันสองวัน อ, อย่าเอาจึงนั่นมากําหนดว่าแต่มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมันฉุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกนี่คือนักปฏิบัติปฏิบัติต ร, ตรงนี้ถ้าเป็นไม่ใช่นะักปฏิบัติจะสุกเป็นฉุก ไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าทุกเป็นทุกไม่ใช่นักปฏิบัติรู้เป็นรู้ผิดเป็นผิดไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติจะเห็นไม่เป็นมีแต่ตรู้ไปรู้ไปครอโต้ ต, ตกบทั่วท่วงเสร็จไปบอกคืนบอกกับชักสะานไม่เป็นแต่กับมันจึงว่าทำไมจะไม่มี ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เรื่องมีพกมีชาติถ้าไม่เป็นอะไรไม่ได้เห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งว่าชิ้นพกชิ้นชาติชาติแต่งความหลงจะสิ้นไปง่ายๆชาติแต่งความทุกข์จะสิ้นไปชาติแต่งความเกิดก็จะสิ้นไปมันจะมีอาการเกิดดอกไม่หรือเห็นนางมลูลกการเกิดไปไม่ medium, จะไม่มี เรียกว่าอาการเกิดดับที่หลวกพ่เทียนพูดผู้ไดเห็นอาการเกิดดับของหนามลูกมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกลังผู้มีผู้ไม่เห็นอาการเกิดดับของหนามลูกแม่มีชีวิตล้อยวันพันปีก็ยังไม่ประเสริฐมันจบเป็นนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่เสร็จไม่รลว้ยวจะทำไปทำม ถ้าทำไปแล้วจะทำไปทำไม่คนทำงานต้องงานมันเจ็ดกรรมฐานเป็นงานก็ำทำให้สำเร็จเป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วตัวใครตัวมันก็ำทำด้วยตนเองช่วยกันไม่ได้จึงมีรูปแบบจึงมีสถานที่จึงมีลักษณะแบบนี้ เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันแค่นี้พูดใน้ฟงแค่นี้พูะเจ้าพอแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเราหลงเราก็ไม่หลงก็ทำเองเปลี่ยนตัวเองให้ทุกคนทำตัวเองอย่างนี้เราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงที่หลงทางมีปัญหาอะไรก็ถามถ่ายกันได้บางทีํำถามที่จะคิดจะถาม นะควับตอบจากคองมคิดคิดแล้ถามก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าไปเขียนลงมันมันไม่เข้าใจมันไม่ทำได้แจ้งให้อันนั้นกรถามได้บาตทีการถามที่คิดใจจะถามปัญหาที่มาเกิดขึ้นอยากจะถามเราพ่เทียนไม่อยู่เราไม่รู้จะถามใครเราก็ทําไปก่อนมีสติไปก่อน เอาไปเอามาทําไปทาไปบางทีที่จะจตถามก็มไม่ต้องถามเพราะมันตอบไปแล้วมันเฉลยไปแล้วปัดีกรรมถามปัญหามันตอบไปโดยการปฏิบัติก็มีมกกันแนละ้ะไม่เป็นไรรู้ไปผิดก็รู้ไปปัญหาก็รู้ไปนิสติไปก่อนเหมือ น, นเราเดินทาง ไปถึงที่หมายแล้วมันก็ตอบคืนหลังได้ถ้าตอบไปตรงหน้ามันก็อาจจะไม่ถูกแล้วยังไม่ได้ถึงที่หมายลูกก็ไม่ประโยชน์ถ้าไปถึงที่หมายแล้วไม่ตรงรูมันทำเป็นการทำให้เป็นเนี่ยมันต้องสอนตัวเองการสอนให้ลูกคนอื่นก็สอนให้ได้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 อันนี้ถ้าทงไปจาดนี้จะว่ามีหมดควอมรุ่นทนไป็นจุ่มไยไปทถ่านสองชีวิตเรานี่ก็พูดในความไม่แช่เอาไปจาให้เอาไปทาดูแล้วก็สมควรในเวลาพวกเราก็กราบพระพ่อ